กลุ่มต่างๆได้ขัดแย้งระหว่างกันเองดังนั้นความหายณนะจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเมื่อมีการชมุมนุมแห่งวันอันยิ่งใหญ่เถิด ي ي พวกเขาได้ฟังอย่างชัดและเห็นอย่างชัดอะไรอย่างนั้นวันที่พวกเขาจะมาหาเรา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 และพวกกเขา็ไม่ท้จริงเราอะลอเป็นผู้ครอบครองมรดกแห่งแผ่นดินและผู้ที่อยู่บนแผ่นดินและพวกเขาจะถูกนำกลับมาอย่างเรา จงรำลึกถึงเรื่องของอิบรอฮิมที่อยู่ในคัมภีร์แท้จริงเขาเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นศาสด า, ศาและจงรำลึกถึงขณะที่เขากล่าวแก่บิดาของเขาว่าโอ้พ่อจ๋า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 ซึ่งไม่เคยมีมาอย่างท่านดังนั้นจงเชื่อฟังปฏิบัติตามฉันเถิดฉันจะนำท่านสู่ทางที่ราบรื่น ان, إن ah. โอพ่อจ๋าอยา่าเคารพบูชาชัยตอนเป็นอันขาดแท้จริงชัยตอนนั้น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 قال أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئلا متأهل أرجمنك وهجر ملية เขาบิดากล่าวว่าเจ้ารังเกียจพระเจ้าทั้งหลายของฉันกระนั้นหรือโออิบราหีมเอ๋ยหากเจ้ามาหยุดยั้งจากการตำหนิแน่นอนฉันจะคว้างเจ้าด้วยก้อนหิน และเจ้าจงไปให้พ้นจากฉันเถอเขาอิบรอฮีมกล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่ท่านฉันจะขอพยโทษจากพระผู้พิบาลของฉันให้แก่ท่านแท้จริง พระองค์เป็นผู้ทรงกรุณาต่อฉันมากและฉันจะปลีกตัวออกจากพวกท่านและสิ่งที่พวกท่านวิงวอนขออื่นจากอัลลอ์และฉันจะขอวิงวอนต่อพระผู้อวยพของฉัน หวังว่าด้วยการวิงวอนขอต่อพระผู้วิบานของฉันจะไม่ทำให้ฉันรับความทุกข์ท่านเมื่อเขาปลีกตัวออกไปจากพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคารพ บ, บูชาอื่นจากอัลลอฮ์แล้ว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 ى, และมัวหมัดจงกล่าวถึงเรื่องของมูสาที่อยู่ในคำพีแพ้จริงเขาเป็นผู้ที่ไดรับการคัดเลือกและเขาเป็นศาสนาทูตเป็นศาสดา และเราได้เรียกร้องเขาจากด้านขวาของภูเขาตรุดและเราได้เขาเข้ามาใกล้ชิดเพื่อพูดกับเขาโดยตรงและเราได้ความเมตตาของเราแก่เขาโดยให้พี่ชายของเขาคือฮารูนเป็นศาสาไดา้ความเมตตาของเราแก่เขาโดยให้พี่ชายของเขาคือฮารนเป็นศาสา lamuhammad มมจงกล่าวถึงเรื่องของอิสมาอีนที่อยู่ในคำพีแท้จริงเขาเป็นผู้ที่ซื่อสัตว์ต่อสัญญาและเขาเป็นศาสนาทูตเป็นศาสดา و a ا, أ, و ا, و إ ن يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه ماضيا และเขาใช้กลุ่มชนของเขาให้ปฏิบัติละหมาดและจ่าย z กกา t และเขาเป็นที่โปรดปรานณที่พระผู้อภิบาลของเขาและจงกล่าวถึงเรื่องของอิดริสที่อยู่ในคำพีแทจริงเขาเป็นผู้ื่อสั์แกเท้จริงเขาเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นศาสดา และเราได้ยกย่องเขาไว้ในตาแหน่งอันสูง um ส่ง <c oughs> ا إ ชนเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานพวกเขาให้เป็นศาสดาที่มีเชื้อสายมาจากอาดัมและจากเชื้อสายที่เราได้บรรทุกไว้ในเรือกับนัวและจากเชื้อสายของอิบรอฮิมและอิสราออล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 โดยที่พวกเขาจะไม่ได้รับความอาธรรมแต่อย่างใดสวนสวรรค์อันสถาพรซึ่งพระผู้ทรงกรุณาทรงสัญญากับปวงบ่าวของพระองค์ด้วยความเร้นลับซึ่งไม่เคยเห็นมา ก, ก่อน ถ้าจริงสัญญาของผู้รุ่มนั้นจะมีมาอย่างแน่นอนพวกเขาจะไม่ได้ยินสิ่งไร้สาระในนั้นนอกจากทาทักทายที่เป็นความสันติและสําหรับพวกเขาจะได้รับเครื่องยังชีพของพวกเขาในนั้น ง, น, าาง น, นั่นคือสวนสวรรค์ที่เราได้เป็นมรดกแก่ปวงบ่าวของเราที่มีความยังเกรง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 รรพระพุยบานแห่งบร ด, ดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองดังนั้นเจ้าจงเคารพพักดีต่อพระองค์และจงอดทนต่อการเคารพพักดีต่อพระองค์เจ้ารู้หรือว่ามีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์บ้าง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 แล้วเราจะนำพวกเขาให้มาคุกเข่าอยู่รอบๆนรก ال แล้วแน่นอนที่สุดเราจะดึงออกจากทุกๆคณะใครในหมู่พวกเขาที่ดือรั้นที่สุดต่อพระผู้ทรงกรุณาแล้วแน่นอนที่สุดเราจะดึงออกจากทุกๆคณะใครในหมู่พวกเขาที่ดื้อรั้นที่สุดต่อพระผู้ทรงกรุณา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 มันเป็นสิ่งที่กำหนดไว้แน่นอนแล้วสำหรับพระผู้ิบานของเจ้าแล้วเราจใจ้บรรดาผู้ยำเกรงรอดพ้นแล้วเราจะปล่อยให้บรรดาผู้อารรมคุกเข่าอยู่ในนรกนั้น เมื the the the ่อองค์การทั้งหลายอันแจมแจ้งของเราถูกอ่านขึ้นแก่พวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าฝ่ายใดในสองฝ่ายนี้จะมีฐานะเหนือกว่าและมีเกียรติทางสังคมมากกว่า และกี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายประชาชาติก่อนพวกเขาโดยที่พวกเขามีสิ่งของเครื่องใช้และรูปร่างดีเลิศกว่าลมมมมนนกาดดยอออูบ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 และดียิ่งในการกลับไปสู่พระองอลลค์ววเจ้าเห็นหรือไม่ว่าผู้ที่ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราแล้วเขากล่าวอ้างว่าฉันจะรับทรัพย์สมบัติและลูกหลานนั้นบดด เขาล่วงรู้สิ่งลึกลับหรือว่าเขาได้รับคํามั่นสัญญาจากผู้ทรงกรุณาเปล่าเลยเราได้บันทึกสิ่งที่เขากล่าวและเราจะเพิ่มการลงโทษแก่เขาอีกระยะหนึ่งและเราจะรับช่วงสิ่งที่เขากล่าวไว้จากเขา และเขาจะมาหาเราอย่างโดดเดี่ยวและพวกเขาได้ยึดเอารูปปั้นต่างๆเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอ์เพื่อที่จะเป็นพลังอำนาจให้แก่พวกเขาเปล่าเลยรูปปั้นเหล่านั้น จะปฏิเสธการเคารพ บ, บูชาของพวกเขาและพวกมันจะเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขาเจ้าไม่ได้เห็นดอกหรือว่าแท้จริงเราได้ปล่อยให้ชัยตอนมีอำนาจเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเมื่อมันจะได้ยุแย่เทกเพื่อมันจะได้ยุแย่พวกเขา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 และพวกเขายาฮูดและนาซารกล่าวว่าพระผู้ทรงกรุณาทรงตั้งพระบุตรขึ้นเพื่อพร ะ, ะองคแน่นอนที่สุด พวกเจ้ า, า, าจบันดาจันฟ้าแทบจะพังทลายลงมาและแผ่นดินก็แทบจะพล่มลึกลงไปและบันดาขุเขาก็แทบจะทลายลงมาเป็นสิ่งิอ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 แว้แต่เขาจะมาอย่างพระผู้ทรงกรุณาในฐานะบ่าวคนหนึ่งเท่านั้น แ, แน่นอนที่สุดพระองค์ทรงรอบรู้ถึงพวกเขาและทรงนับพวกเขาอย่างถี่ถ้วน และทุกคนในพวกเขาจะมาอย่างพระองค์ในวันเกียมะอย่างโดดเดี่ยว